ตัวอย่างแต่อาจารย์ใจญ่ั้นของเราผู้ขันมาแนะนำกล่าสอนตัวพัฒบริสัทธ์ตัวขอ่ขนเคยได้ประพฤติปฏิบัติทั้งแนะนำคือทุกสิ่นทุกส่วนขันเคยผลปฏิบัติในตัวของขันมาถูกต้องดีทุกอย่างขันจึงเป็นแม่เหล็กสําคัญดึงดูด ผู้คนประชาชนทั่วไปให้เหลื่อมใสศัทธาเพราะท่านเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติไม่ว่าด้านกายวาจาจิตพวกเราที่มาแนี่มาสอนกันมันเหมือนเหมือนอย่างท่านยิ่งเป็นหน้าเสียดายท่านถือว่าหน้าสาบจากไปเป็นผีฝึงของใจของพุทธบริษัทได้อย่างดีครูอาจารย์สมัยนี้จะหาเหมือนท่าน ไม่มีถึงจะมีอัดคำภายในใจบางขันบางองค์ขันก็ไม่ชอบจิตเนี้ยจะสอนคนอื่นบางขันบางองค์ชอบสอนแต่เชื่อว่าธรรมะก็ไม่ถึงจิตถึงใจของบุคคลดังนั้นการสอนคนเป็นของยากของลํบาบากไม่ใช่ของง่ายตัวของเราเองเคยบวชเรียนเช่นอ่านมาก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าท่านสอนเก่งแล้วจะชอบองค์ที่ท่านสอนเก่งทุกองค์ไปไม่อย่างนั้นยิ่งเป็นเจ้ามาณพิจิตรอย่างตัวของผู้เทศจะต้องดูทุกเนีย่ยทุกมุมดูคนไม่ใช่ว่าเชื่อเชียงลมปากของคนเท่านั้นจะเชื่อถดถึงจิต ถ, ถึงใจได้กพราอาศัยฝ่วัดปฏิบัติอาศัยความดีความเด่นของท่านจะเชียงแกมาพูดกัน เป่าเพียงลมปากไม่ยอมเชื่อให้่พูดถึงจิตใจคนพิชิหนักอย่างอาจารย์เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยเชื่ออย่างงมงายง่ายได้เท่าไรแต่นั่นจึงเรียกครูเรียกอาจารย์ยากลําบากในการที่จะเคารพเลื่อมใส่เพราะจิตใจของตัวมันเป็นคนพิชิตมานะถึงอย่างไรก็ดีการสั้งจากครูจากอาจารย์ท่านผู้อื่นแนสอนก่สาธุยินดี เคารบเรื่อมใสแต่เท่าว่าความจะประพักใจจะให้เชื่อมั่นในตัวของเราเองนั้นยังสู่การปฏิบัติภายในตัวไม่ได้นี้ไม่ในหมายถึงว่าไม่เคารพทำดีนในเพราะสิ่งที่จํามาจากครูอาจารย์นั้นย่อมรั่วไหลหรือหลงหลรือง่าหากเราทําไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นภายในเราเชื่อกว่าเชื่อ ยังเบาเบาไม่ถึงจิตถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างถ่าหากว่าเราฟังแล้วอ่านแล้วจำแล้วลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำตาสอนของครูอาจารย์นังนนั้นความรู้ความเป็นความเห็นเกิดขึ้นภายในเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนเห็นประจักษ์ในตัวนี่ไม่มีวันลืมตั้งแต่วันรู้จนกระทั่งวันตายเชื่อมั่นวันนี้ไม่มีวันลืม ความเห็นความเป็นอย่างนี้นับว่าเป็นความเห็นความเป็นที่พระพุทธเจา้าตรอสการผู้ใดประพฤติปฏิบัติจิตใจคงตนเห็นรู้ในอาจทำจริงจังจะต้องเชื่อมั่นเรี่ยกอาจาราศรัทธาเพื่อไม่หวั่นไหวไม่เอนเอียงไปตามเรื่องราวต่างๆฉะนั้นพวกเราท่านซึ่งเป็นพุทธบริษัทธ์เคยได้สดับรับฟังทำคำต่างๆจากครูอาจารย์มาหลายท่านหลายองค์ หลายกันหากว่าการฟังของพวกเราท่านจะเป็นสาระประโยชน์นำชี้เลี่ยนตันหามานัตพิจิภายในใจให้ตกไปได้ท่านแสดงคำแต่ละท่านแต่ละองค์ก็แสดงมุ่งเปง้าส่งแต่จุดเบื้องต่ำจนถึงเบืองปลายคือแท็จนหมดไม่มีอะไรเหลือหรอพูดถึงความรู้ความเห็นความเป็นภายในใจแต่พวกเราฟังก็เชื่อเสีฟัง เป็นพิธีเป็นขนรรมทำเนียมไม่ตั้งหน้าต่างตาที่ใดนาไม่ตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติเพราะท่านเอวางเมือ่อใดก็าสาธุเมื่อนั้นทําทําต่างสอนก็เลยไม่ฝังจิตฝังใจคอยจะไปปฏิบัติเมื่อท่านแนะท่านสอนไปจดจําเอาคําพูดสอนนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องข้องศาสนะล่มเหลวจิตหายเพราะเหตุใด เพราะใจไม่มีหลักฐานแกนสารในอัดทำดังนั้นท่านอาจารย์ฟั้นซึ่งกันที่เคารพเรื่อมใสของพวกเราทั่วไปท่านได้ตั้งใจประพฤฏิบัติของท่านมาทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของท่านเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจของท่านถึงอัดถึงทมถึงพุทธะผู้รู้จริงๆแล้วท่านจะแนะนาทำสอนคนเท่าไร ความเสียหายของท่านจะไม่หมดไม่สิ้นไปและท่านแนะนำคำสอนใคยคนนั้นก็เต็มใจศรทัทธาเพราะท่านมีอดีตทำภายในใจท่านจึงเป็นที่เลือ่อมใสศรัทธาจากคณะญาติโยมไม่ว่าตั้งแต่คนไทยคนเทศต่างชาติเขายังมาเลือ่อมใสศรัทธาด้วยอำนาจคุณความดีของท่านที่เคยกระพื่อปฏิบัตมานั่นเองเป็นแม่เหล็ก จูงจิตดึงใจของคนให้เหลือ่อมสตัดขาเชื่อมั่นในท่านนี่พวกเราท่านเมื่อท่านล้มหายตายไปด้วยอำนาจที่ไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาให้รู้เห็นเป็นเองก็เลยพลอยล้มไปตามเรื่องของท่านหมดที่พึ่งที่อาศัยเราเป็นนักปฏิบัติอะไรกันที่รารณาตัวเองไหม ไม่ใช่พีเ่เป็นนักปฏิบัติประเภทกาฝากหรืออาศัยเกาะ ก, กินต้นไม้ต้นไม้ล่มโค่นลงไปตายลงไปกาฝากก็พลอยตายไปด้วยถ้าประเภทนี้ศาสนาไม่ยืนยงคงมาพระพุทธเจ้าหรือสาวกดับขันปรินิพการท่านที่ยังเหลืออยู่ตั้งหน้าตั้งตาต่อเพื่อปฏิบัติรักษาธรรมดีในากายใจของท่านรู้เห็นเด่นชัดบริสุทธิ์ขุดของ เข้าใจเองไปจักเองในการสาธิตปฏิบัติว่าความเปลี่ยนไปของจิตของใจในเบื้องต้นธรรมกลางและที่สุดเป็นอย่างไรไม่มีทางสงสัยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็จะตัดตอบแบบนี้แล้วความสงสัยในจิตในใจว่าอะไรยังมีอีกในเรื่องพรห ม, มจันท์ที่จะสงสัยของใจมีไหมไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ หรือพระพุทธเจ้าปีนี้พานไปทําคําสอนยังคงเส้นคงวาเป็นอากาลิโกจริงตัวของเราผููปรงพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเด่นชัดภายในเราถึงพระพุทธเจา้าหรือสาวกจะปีนี้พานไปแต่อาจทำสิทธิ์แนะนําคําสอนรู้เห็นภายในธาตไทยของท่านในจิตในใจของท่านสาวกเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นขึ้นภายในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าพุทธเจ้าปีนีพผานไปหรือสาวกครู อ, อาจารย์ล่มหายตายไปเราก็เป็นที่พึ่งของเราได้ถึงคนจะมาเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่มาเลื่อมใสศรัทธานั่นไม่เป็นปัญหาสำหรับจิตใจของเรารู้ไปจับชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรดีชั่วอย่างไรมีอะไรที่จะควรแก้ไขเพิ่มเติมต ม, มีอะไรบกพร่องในจิตในใจเราไหมสั้นตรวจตาพิจารณาทราบ สัในวันที่ทันปฏิบัติรู้เห็นทำท่านจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะหลุ่มหลงไปลมตามลมปากของโลกใครจะเรื่อมใสสัตยานั่นเป็นหน้าที่ของเขาก็าจะไปกราบไหว้บูชาสักการะก็เป็นเรื่องของเขาที่จะมุ่งหวังตั้งใจในบุญในกุศลใครจะตีสินนินทาว่ากล่าวอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของเขาที่จะสร้างกรรมชั่วใสตัวของเขา เราเป็นอย่างไรไม่มีการบ่นไหวเอนเอียงนี่คือเรื่องการต่อพติปฏิบัติทางธรรมดีในเป็นตัวค้องตัวไม่ได้ขกอาศัยแบบดาฝั่งเกาะต้นไม้เป็นตัวข้องตัวได้การที่จะเห็นจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจะไปหามาจากครูจากอาจารย์องค์อื่นหาจากตัวค้องตัวเพราะคำคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, จ้ามีอยู่ในตัวความจามาย่อมมีการ รวมการหลงเพราะสัญญาอ น, นิจจาส่วนการเกิดขึ้นเป็นขึ้นจากการภาวนาจากการกระทำของตนถ้าเห็นเป็นขึ้นจะเชื่อจะเลื่อมใสเต็มใจนี่ศาสนาถึงจะเสื่อมไปในทุกคนทั่วโลกก็ตามหากผู้เห็นผู้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติรู้ประจักษ์ในตัวอย่างนี้ จะไม่มีการดีใจเสียใจกับการเสื่อมการเจริญของศาสนาในคนอื่นเห็นเด่นอยู่ในตัวของตัวเถ่านั้นเรื่องศาสน า, าพระพุทธเจ้ามุงหน้าประพฤติปฏิบัติตัวของเพ้าองค์เองเองสื่อละถอนกิเลสให้จิตใจวิเศษปรายเสิร์ตต้นกิเลสตัณหาต้นโลกพูดง่ายเป็นดีมุตบริสุทธปลาเสิร์จริง ท่านจึงมาแนะนำท่ายสอนสัพทาสัตย์โดยส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลไม่บากใครทั้งหมดมุ่งหน้ามุ่งตาสอนตนประพฤติปฏิบัติตนเสียก่อนจึงคอยสอนคนอื่นแต่สมัยปัจจุบันทัต น, ตนตาพระเนนสมัยนี้มักอยากจะไม่ทำอย่างนั้นยังไม่ได้ซื้อขายแล้วตัวเองยังไม่เห็นไม่เป็นอะไรไม่เคยประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจ แต่ก็นนำคำสอนของพระพุทธเจ้ายืมมาสอนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะชมให้ก่อนเกิดลืมเมื่อลืมตัวว่าตัวเก่งตัวเด่นเพราะสมมติว่าเป็นอาจารย์ก็เลยเป็นอาจารย์ไปแต่จิตใจกิเลสตัณหามันหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ถึงจะมีมากขนาดไหนท่าเน้นในประเทศไทยเป็นจํานวนแสนแสนแต่ด้านจิตใจภายในในเป็นไปไม่รู้เห็นทางอัตทําให้จํานวนมากปริมาณมาก แต่หากคุณค่าไม่มีมันก็น่เสียดายน่าเสียใจ ท, ทั้งที่กินข้าวสุกปลาตายของเขานุ่งห่มของเขาแต่เราเองไม่ดีไม่วิเศษไม่ตั้งใจไปพืชปฏิบัติกาจัดกิเลสตัณหาเชี่ยงแต่จะมาบวชเป็นเปรตหลอกลวงอยาโยมเขากินคอยเอยเอี๊ยงทิ้งอาศัยทมของพระพุทธเจา้าหรือครูอาจารย์เป็นเครื่อง จำเอาไว้แล้วไปแนะสอนคนอื่นว่าเราเป็นศิษย์คนนั้นศิษย์คนนี้แต่การต่อพฤชปฏิบัติของเราดีเดน่นเป็นจริงตามทิ่าารร ย, ทย์ตัวอาจารย์ต่อพืชปฏิบัติมาหรือไม่ไม่ค่อยสนใจไม่ว่าใครตัวอาจารย์หรือตัวองค์สิทธิเสถีย็เหมือนกันถ้าเขาว่าลูกศิษย์เทวทัตรู้สึกจะไม่เต็มใจไม่พอใจแต่เขาว่าเป็นลูกศิษย์ของพธธระพุทธเจ้ารู้สึกจะดีใจ แต่กา ร, ป, รปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรแบบเทวทัศหรือแบบของพระพุทธเจ้าควรพวกเราพุทธบริษัทจะหมั่นนึกคิดตักเตือนตัวเองเรื่องเหล่านี้ครูอาจารย์ที่จะมีธรรมะมาสอนพวกเราท่านก็เบื้องต้นเหมือนกันทุกคนไปหมดมีจิเลตันหามีความชั่วชา้าลามกเหมือน ก, นกันกับพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่ ป, ปฏิบัติแต่อาศัยศัทธาความเชื่อ อาศัยวิริยะความเทียนอาศัยสติความระลึกอาศัยปัญญาความราอบรู้ที่นิติเจรณาต่างหน้าต่างต า, งตางปฏิบัติสอบสืบเรื่องภายในจิตใจของตัวอยู่เสมอเพราะจิตใจเท่านั้นเป็นตัวยุ่งใหญ่เป็นตัวมารใหญ่คอยไปจับไปจิตไปคิดไปปรุงเรื่องต่างๆเรื่องเหล่านั้นชั้งๆ ท, ที่เรายังไม่เห็นมันก็มีก็เป็นกันอยู่ในโลก มันไม่เคยดีใจเสียใจไม่เคยเสื่อมเคยเสียไปจากโลกแต่จิตใจก็ไปยึดไปหน่วงเอาสิ่งนั้นนั้นมาเป็นเราเป็นของของเราเพรลอยจะดีใจคลอยจะเสียใจไปในเรื่องต่างๆนี่ทุกคนเมื่อยังจิตใจยังต่ําประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงธรรมอาจเป็นอาจเห็ น, ปนไปอย่างนั้นด้วยกันแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติ ด้านอัรทมจริงจังใจที่เคยสายแสสู่อารมณ์สัญญาภายนอกปรุงไปในเรื่องต่างๆที่ชาวโลกเขานิยมรมชอบกันเรื่องเหล่านั้นมันถูกกิเลสของคนปล่อยได้ง่ายไหลไปง่ายแต่จะให้มันสะดวกสบายถึงซึ่งที่สุดวิมุตินิพพานเป็นไปไม่ได้เราเคยคิดเคยปรุงเคยติดเคยตามสัญญาอารมณ์เหล่านั้น แต่จิตใจของพวกเราท่านถ้าหากว่าจริงนั้นเป็นทางที่จะได้ตัร้รู้เป็นทางดีวิเศษทุกคนหมดกิเลสตัณหานี่มันไม่เป็นไปแบบนั้นพวกเราท่านจึงโจมอยู่ในเรื่องของกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงยังท่วมทับจิตใจสม่ำเสมอมาฉะนั้นครูอาจารย์ที่ท่านได้อัดทำทำสอนมาสอนโลกท่านก็มีเหมือนกันแต่ท่าน มันประพฤตปฏิบัติสอบสืบทีนี้พิจารณาทำแบบนี้เป็นอย่างไรจิตใจสงบไหมจะ ก, กําหนดลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธ ท, ท่านตั้งใจทีนี้พิจารณาจริงจังกำหนดจริงจังจนจิตของท่านอยู่กับคําบริกรรมพุทโธเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างนั้นลมหายใจผู้ที่กาหนดท่านก็กำหนดบทลมหายใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้จิตใจสายแสไปตามจิเลตัญหาที่ผ่านมาหรือผุดขึ้น ถือว่าลมหายใจนี้แหละจะเป็นเครื่องยึดของจิตของใจจะทําใจให้สงบระงับดับกิเลสได้อารมณ์อื่นหมื่นแสนเราจะไม่ติดตามถ้าหากจิตยังไม่สงบเห็นอัศจรรย์อะไรเราจะกําหนดลมหายใจของเรานี้ท่านตั้งมั่นเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านทําการจริงจังผลที่สุดจิตนั้นก็ไม่เหลือวิสัยด้วยอํานาจความเพียนสติปัญญารักษาจิตก็ รวมลงไปได้ลงได้เมื่อจิตลงจิตรวมลวมหายใจมันก็ขาดไปปกติของคนมีจิตสงบจิตลงรวมลวมหายใจไม่มีตามตำราท่านจิงเต่าว่าคนอยู่ในคันคนดำน้ำคนเขา่านิโรธสมาบัติไม่มีลมหายใจเราเคยเห็นเคยเป็นไ้ยแบบนั้นถ้าหากเราทาเราจะเชื่อจะเห็นจะเป็นชาจิตยังคิดกับเรื่องของลมอยู่ จิตยังไม่สงบถ้าจิตสงบมันจะดับไปหมดสัญญาเวทนาต่างๆไม่ทราบว่ากายมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรเวทนาความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวต่างๆมันดับไปหมดถ้าจิตลงรวมอยู่อย่างนั้นจะนั่งอยู่กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนถ้าไม่ถอนขึ้นเชื่อว่าจะไม่มีอะไรจะเป็นพิษเป็นภัยเพราะเหตุใดเพราะจิตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายนอก นี่คือจิตรวมจิตสงบเมื่อจิตรวมจิตสงบอย่างนั้นความอัศจรรย์ความเบาของใจเราทราบได้เราเห็นได้ภายจากการจัดทําบําเพ็ญของเราเราก็ติดใจแน่ใจแบบความสุขความสงบอันแท้จริงนั้นมันอยู่กับการประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ใช่อยู่กับวู่กับเสียงกับเรื่องกับเราต่างๆเราเห็นเราเป็นในใจของเราอย่างนั้นจะไม่เชื่อ พ, พ้าพูดใเจ้าได้อย่างไรเพราะพระพูดใจเจ้าท่านเห็นท่านเป็นอย่างนี้จึงยอมเสียสละสมบัติของโลกได้คนที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นจริงจังก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเคยผ่านเคยประสบมาเรื่องความสุขของโลกที่โลกเขานิยมชมชอบกันว่าสุขอย่างนั้นสบายอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อมาเทียบกับใจที่สงบแล้วอะไรมีคุณค่าน่าแน่นกว่ากันอะไรดีพิเศษกว่ากันทราบได้เมื่อทราบได้ ใครเล่าอยากจะไปเอาของต่ําใครเล่าอยากจะไปเอาของไม่มีค่าเชื่อว่าทุกคนจะต้องการความสุขอันแน่นอนความสุขอันจริงจังความสุขอันแปรเสริดเลื่อนลอยนี่เบื้องต้นการสึกผลจิตใจครูอาจารย์ที่ท่านนำทำมาฝากพวกเราสอนพวกเราท่านเคยเห็นเคยเป็นในขัดไม่ใช่ว่าท่านสอนต่อไปแต่ตัวของตัวเองไม่เคยเห็นเคยเป็นหากคนเคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกเคย ป, ปฏิบัติจิตใจ มันง่ายจะตายไปจะแทศไปถึงไหนก็นไปเถอะผูฟ้ฟังที่รู้ที่เห็น <c oughs> ที่ปฏิบัติเป็นภายในท่านท่านจะทราบจะเข้าใจว่ายืมคําพูดมาจากที่อื่นตัวของผู้เทศเองไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เข้าใจขนัดชัดเจนตอนนั้นเราอยากทราบเรื่องพระเรื่องเนรเรื่องผู้ประบวชปฏิบัติเึ่งศึกษาเพิ่งภาวนาในจิตในใจของเรา ว่าองนั้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นอย่างไรจะเข้าใจด้วยการอาธิบายธรรมะเพราะธรรมะนั้นไม่มีทาง ป, ปิดบังความเปลียนไปถึงท่านจะอธิบายไปแหน่ไหนมุมใดถ้าหากอาธิบายภายในจะทราบได้บางท่านบางคนเคยอธิบายมรรคผลเคยอธิบายศีลสม า, าธิปัญญาแต่เข้าไม่ได้ว่าจะเข้าจุดสําคัญไปเลยกระเิดไปที่อื่นนี่คือจิตไม่เคยเห็นเคยเป็นแต่ก็แเท็จอยู่นั้นแหะ ตลอดวันตลอดคืนก็เหี้ยแต่เชื่อวะเหตุผลที่เห็นที่เป็นจริงจังผู้ฟังทราบได้ว่าคนนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมปากเราพอเลือกได้หาได้เราทุกคนถีอตนใจในศาสนามุ่งมั่นจะปฏิบัติธรรมพึงพากันประพฤติปฏิบัติมร ร, มรรคผลทมวิเศษไม่ได้มีอยู่ที่อื่นกิเลสมีอยู่ที่ใดเมื่อทําลายกิเลสออกไปมรรคผลจะเกิดขึ้นทุกคน ที่หลุมหลงเพิดเทิญเก็เพิดเชินในเรื่องของตัวเองจึงไปเกาะเกีเ่ยวเรื่องอื่นภายนอกฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเ hey, นาะมาเป็นโอปัญญีโกคือมาพิจารณาภายในพิจารณากายใจของตนกายของเราท่านถ้าหาพิจารณาถูกอาจถูกทำแล้วมันจะไม่มีอะไรจะสงสัยไม่มีอะไรจะขัดข้องเพราะถ้ารู้เรื่องตัวของตัวเท่านั้นโลกทั้งหมด ทาบทั่วกกันไปหมดเพราะเหตุใดขาดอันเดียวกันขันอันเดียวกันมันไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตผ่านมาแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติในโลกก่อตามหรือพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วก่อตามมันก็เป็นอยู่อย่างนอนาคตเราตายไปจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยเพราะทราบในปัจจุบันเรื่องของขาดของขันเป็นอย่างไรด้วยอาศัยปัญญาที่นี้พิจารณาแน่นอนมันก็เลยไม่มีเรื่องอะไรจะสงสัยจะไป ที่ไหนจะไปถามใครเพราะหายสงสัยในใจเหมือนกันกันกบเราทานอาหารอิมอ่มอิ่มเราหรือหรื อ, อยังไม่ต้องให้คนอื่นมาให้คะแนนเราทราบเองเพราะเราอิม่มมีการประพืชปฏิบัติทางธรรมใ น, นการปฏิบัติศาสนาก็ทํานองเดียวกันไม่มีทางที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะลังเลฉะนั้นการประพฤ้นปฏิบัติพึงต่างหน้าต่างตาศึกษาภายในตัว ลมก็มีอยู่ในจมูกของเราทุกคนสี่ยังไม่ตายพอที่จะกำหนดได้จะบริกรรมพุทโธทำโมสังโฆแล้วก็บริกรรมได้นึกอันอื่นคิดอันอื่นทําไมคิดได้จะมาสอนใจให้สงบทําไมสอนไม่ได้เปิดแล้วปิดไม่เป็นมันจะเป็นข่าหรือต้องปิดเป็นบ้านถิพักยังมีประตูเปิดปิดเวลาอยากจะปิดก็ปิดได้เวลาอยากจะเปิดก็เปิดออกได้นี่ใจของท่าน ผู้ประพฤติปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นอยากจะให้สงบก็สงบได้อยากจะให้คิดอ่านอะไรในทางธรรมะก็คิดอ่านได้นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดเปิดได้ให้ราชาตัญหาลุมกัดกินจิตใจท้องตัวแต่เวลาจะปิดให้ลาชาตัญหาดับปิดไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะอาศัยไม่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาไม่ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาจิตมันมีดวงเดียวถ้าไปเกี่ยวข้องกับทางโลกทางธรรมมันก็ ไปไม่หรอกไปไหม่ได้ถ้าหากมันอยู่ในอดในธรรมทั้งโลกมันก็ดับสงบไปนี่หมายถึงการคิดแต่จะให้จิตสงบสงัดนั้นมันก็ทําได้ไม่เหลือวิสัยหากทำธรรมา้ำาำคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของเหลือวิสัยเป็นโมฆะสําหรับคนแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศศาสนามาไม่ได้สาวก ค, คงไม่มีแน่นี่มันยังมีอยู่ผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติ ตังน้าต่างตารักษาจะทำบำเพ็ญเห็นรู้เป็นพยานของพระองค์มานับไม่ถว้วนจะเป็นโมฆะสำหรับเราคนเดียวหรือสอนตัวของตัวแล้วมุ่งมั่นทีนี้พิจารณาภายในให้จิตใจเป็นไฟตั้งแต่ขั้นสงบเท่านั้นก็ยังจะเชื่อมั่นว่ามรรคผลยังมีไม่ได้นี้ไม่ได้เสียไปที่ไหนถ้าหากประพฤติปฏิบัติเรื่อยๆไปจิตใจสงบทีนี้พิจารณาสิ่งที่เคยสงสัยข้องใจ ด้วยอำนาจของปัญญาที่มีภายในมีสมาธิหนุนหลังอาจจะเห็นจะรู้สิ่งต่างๆทีเ่เราเคยหลงทราบขึ้นเข้าใจถึงในจริงเหละนะ่านั้นหายสงสัยไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดจุดดมุดเป็นอย่างไรเราเคยเห็นเคยเป็นความางงสงบตามละเอียดของใจเมื่อมันไปเห็นไปเป็นดีมุดเป็นอย่างไรนั่นก็ไม่มีทางสงสัยอีกเหมือนกันจึงไม่มีอะไร ที่จะสงสัยกันถ้าหากเขียนหากเป็นอย่างนั้นไม่ว่าอากับจิิยาธาตุทีจะเป็นอย่างไรแต่จิตใจถ้าหากเคยประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาเข้าใจกันในที่สุดด้วยกันแล้วท่านจะไม่มีสงสัยในเรื่องของธาตุขันจะตายแบบไหนไม่มีการสงสัยว่าท่านจะไปทุกขติหรือไปที่ชั่วว่าท่านจะไม่มีสติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เรื่องของกายเป็นอนัตตา เราจะห้ามไม่ได้มันจะเป็นไปตามเรื่องราวของมันเรื่องของธาตุขันธ์ขันธ่าอนัตตาขันพิจารณามาพอแล้วแต่จิตใจที่เหนืออนัตตาที่มารู้อนัตตาคืออะไรท่านเข้าใจแล้วแล้วเรื่องของท่นานทหาจะมาระวังรักษาจิตยังมีโทษจึงรักษาจิตหมดโทษจะไปรักษาทําไมไม่รักษาไม่เป็นบาหรือท่านเป็นบาไหมพระพุทธเจ้าหรือสาวกก่อนไม่เห็นท่านเป็นบาอะไรนี่พวกเราพึง ประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นชัดในตัวเรื่องธรรมดีในจึงจะ ม, มีการสงสัยต่อไปมีการประพฤติปฏิบัติธรรมดีในแก่นของศาสนาอยู่ในกายว า, ายใจใจของเราไม่ได้อยู่ตามสําหรับตาราตามคำภีร์ต่างๆฉะนั้นใครทุกคนขี่สนใจพิจารณาภายในคนนั้นแหละจะรู้จะเห็นเรื่องของศ า, าสนาศีลสมาธิปัญญาวิ ช, ชากิมุติเป็นอย่างไรจะไม่ต้องไปอ่านที่อื่น อ่านที่ตัวคลองตัวรู้ที่ตัวคลองตัวแล้วหายสงสัยดับเรื่องทั่วไปพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกเป็นอย่างไรทั้งที่ผิดขันติปฏิปันไปแล้วก็ไม่ต้องไปถามถึงเพราะปัจจุบันพวกเราเป็นอย่างไรเข้าใจอยู่อย่างนั้นเรื่องกิเลสตัณหาราคะต่างๆมันจะมาก่อขวนทําลายจิตใจอีกได้ไหมก็เชื่อมัน่นว่าจิตใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอะไร ไม่มีอะไรที่จะทําจิตใจให้เศร้าให้ใส่ให้ดีให้ชั่วไปอีกแม่บาปนิพพานท่านก็ไม่ต้องการอารหันต์ท่านก็ไม่ต้องการเพราะเหตุใดคนที่ต้องการอยู่ก็คือยังไม่พอนั่นเองคนที่รู้ที่เห็นไม่มีอะไรต้องการอยู่ก็ไม่ต้องการไปก็ไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นถามบริสุดเป็นอย่างไรประทับเข้าใจนี่คือการปฏิบัติ ทางจิตทางใจเป็นอย่างนั้นขอพวกเราท่านทุกคนพึงสนใจประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตใจของท่านประพฤติปฏิบัติได้ดีอย่างนั้นท่านก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นสุปฏิบันโนอุสุยยะสามีจิสามารถที่จะบำรุงจิตใจบุญกุศลของคนทั่วไปได้การไหว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลให้ทานอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลตัวพองท่านอยู่ในโลกก็ไม่เป็นใคร ตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่ผู้ที่ดีวิเศษท่านจึงดีวิเศษเรื่อยไปแม้กระดูกของท่านก็แย่งกันเพราะถือว่ากระดูกของผู้ดีวิเศษถ้ากระดูกของเราท่านธรรมดาทุกลัวว่าเป็นสีกลัวมันจะไปหลอกเอาไปจิ้งไปบ้านก็ยังจะจับกันผิดกฎหมายนี่กระดูกของครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีไม่เป็นอย่างนั้นอยากได้กันแย่งกันข่อกันนี่เมื่อปฏิบัติดีแล้วไม่ว่าตั้งแต่ เฉพาะท่านมีชีวิตยอยู่ท่านตายไปก็เอ่ยชื่อของท่านก็ยินดีเลื่อมใสอะไรทุกอย่างที่เขาถือว่าเป็นอประโมคคนพวกผู้ศรัทธาั่วไปก็เลื่อมใสทุกอย่างที่เป็นของท่านจะเป็นบริขารหรือในเนื้อในกายของท่านยินดีที่จะเอาไปสักการะบูชาที่มันดีทั่วไปอย่างนี้ฉะนั้นเราอยากดีกวพึงประพฤติปฏิบัติ อย่าไปคิดไปปรุงว่าอยู่ๆก็จะให้มรคนโผล่ขึ้นเกิดขึ้นเพราะมรคลไม่ใช่เหตุพอถูกผลจะโผล่ขึ้นเท่านั้นต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วความรู้ความเห็นความดีความเด่นไม่ต้องไปถามใครนี่ทางการปฏิบัตินำศาสนาให้รุ่งเรืองเจริญภายในตัวของตัวครูอาจารย์ท่านปฏิบัติมาแบบนั้นพวกเราท่านอย่าเป็นพวกกาฝ า, ากมาเกาะอาศาาัยศาสนา ให้พึ่งตั้งหน้าตั้งตารักษาประพฤติภาวานาให้ใจิตใจสงบกลาวหน้าไปสู่ความหลุพ้นจากกิเลส